ตัวที่เป็นอุปสรรคกับการเรียนธรรมมากเลยนะอันแรกคือติดเพ่งติดสมถะติดสมถานมันติดดีได้รักษาจิตให้นิ่งให้สงบบางคนทุ่มเทฝึกตั้งหลายปีนึกว่ามันจะดีที่จริงแล้วมันกวางการเจริญปัญญาตอนเราไปติดเพ่งเนี่ย ร่างกายของเราก็เรียบร้อยกว่าความเป็นจริงจิตใจก็เรียบร้อยกว่าความเป็นจริงมันดีเกินดีเกินไปก็ เ, เลยภาวนาไม่ได้มันนิ่งๆว่างๆไม่มีอะไรให้ดูไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่แสดงไตรลักษณ์การเจริญปัญญาเนี่เป็นเรื่องของการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเห็นนะเห็นด้วยใจ ไม่ใช่คิดเอาถ้าเราติดเพ่ง ต, ติดดีนิ่งเกินไปดีเกินไปคงที่พวกฤาษีชีไพรทำสมาธิจิตนิ่งสงบอยู่ได้เป็นกลับกับโลกแตกไปหรือพระสีอริยะเมตไตรามาตรสลุกเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยเราเผลอไปแว บ, บเดียวนะพุทธเจ้าหมดไปหลายองค์เลย การติดเพลงเนี่ยเป็นศัตรูร้ายตัวหนึ่งนะมันดีเกินไปตัวที่ขวางการปฏิบัติการเรียนรู้อีกตัวหนึ่งนะคือการช่างคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคิดมันทุกเรื่องจะหาคำตอบทุกอย่างด้วยการคิดเอาหรือเซลล์จัดยึดมั่นในความคิดความเห็นของเราอยู่คนเดียวนะ ถา น, นี้เรวเกินไปฟุ้งซ่านไปเป็นฝ่ายแย่ก็เรียนไม่ได้ทำไมเรียนไม่ได้เราหมดแต่คิดก็เลยไม่ได้เห็นสภาวะความคิดนนปิดบังความจริงไปหมดเป mm hmm. ็นคนไหนเซลจัดนะสังเกตตัวเองเซลจัดน่ากเกลียดเป็นกิเลสที่น่ากเกลียดที่สุดเลยเรื่องเซลจัดเนี่ย พอเราดูเป็นแล้วเราจะอายมากในเวลาที่เกิดความรู้สึกเซล์จัดขึ้นมาเราถามพวกเก่าๆดูจะรู้เลยเป็นกิเลสที่อายตัวอื่นเกิดยังไม่อายนะ<ม>โลภโกรธหลงเกิดเฉยๆแต่พอเซลจัดเกิดเรารู้ทันเนี่ยแหมอายอายรู้สึกโทเรานึกว่ากูเก่งกูเก่งนะอวดเก่งมาตั้งนานที่แท้ไม่ได้เรื่องเลยคนที่มาเข้าคอร์ส ถ้าคนไหนติดเพ่งนะแก่ยากเพราะว่าติดดีส่วนพวกเซลล์จัดพวกอะไรเนี่ยไม่ฟังคนอื่นเหมือนน้ำชาล้นถ้วยรับอะไรใหม่ไม่ได้ก็ได้แค่ของเก่าที่มีอยู่นั้นเปิดใจให้กว้างทำใจให้สบายใช้ใจที่เป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละมาเรียนรู้ธรรมะ เมื่อวานสอนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาไปล้วทวนให้นิดหนึ่งศีลสิกขาเนี่ยเราเรียนว่าทำยังไงศีลอัตโนมัติจะเกิดศีลอัตโนมัติจะเกิดได้โดยอาศัยสติไปรู้ทันกิเลสกิเลสอะไเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสมันจะดับอัตโนมัติศีลอัตโนมัติก็จะเกิด เพราคนทำผิดศีลนะี่ยเพราะกิเลสครอบงําจิตราคะครอบงําจิตทก็ทําผิดศีลห้าได้โทสะหรือโมหะครอบงําก็ทําผิดศีลห้าได้ตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อนึกว่าทําร้ายคนอื่นข้อหนึ่งเนี่ยต้องโทสะไอ้ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาบนี่ต้องราคะอะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่มีกิเลส ราคะตัวเดียวก็ผิดศีลห้าได้โทสะก็ผิดศีลห้าได้หมดแลยิ่งโมหานี่ผิดได้แน่นอนเพราโมหะเกิดร่วมกับกิเลส ท, ทุกตัวเลยจะมีราคะได้ก็ต้องมีโมหะด้วยมีโทสะได้ก็ต้องมีโมหะด้วยดังนั้นให้เราคอยมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสมันจะดับอัตโนมัติไม่ต้องไปดับมันนะราคะพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วใจโลภ เรารู้จักอยู่แล้วโทสะเราก็รู้จักอยู่แล้วนะฟุ้งซ่านเราก็รู้จักหดหูเราก็รู้จักระงเลสงสัยเราก็รู้จักเนี่ยกิเลสหลักๆเนี่ยเรารู้จักอยู่ทั้งนั้นนะหน้าที่เราก็แค่รู้ทันว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นแค่รู้ทันนะกิเลสจะดับจะได้สีนาตโนมัติตรงที่เรารู้ทันกิเลสที่เกิดแล้วก็ดับไปนะนอกจะได้ศีแล้วนะจะได้สมาธิแล้วได้ปัญญาได้ด้วย เมื่อถ้าดูจิตเป็นนะการดูจิตเนี่ยได้ครบหมดเลยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเวลากิเลสเกิดที่จิตเรารู้ทันกิเลสดับศีลอัตโนมัติเกิดเวลานิวรณ์โดยเฉพาะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเรารู้ทันความฟุ้งซ่านดับสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิมันไม่ฟุ้งซ่านนั้นใจมันมีนิวรณ์นะมันจะโหยหา อารมณ์ที่ชอบใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันโหยหาอารมณ์เนี้เรียกว่ากามกามฉันทะมันรู้สึกลำคาญหงุดหงิดในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะใจลึกๆมันเกลียดไม่ชอบนี่เรียกว่าปฏิฆะการที่มันจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีสับสนวุ่นวายนะเรียกว่าอุทัด จ, จะวุ่นวายมากมันจะลำคาญตัวเองนะ เรียกว่ากุกุจะหรือเวลามันจะถูกเราให้ใหคิดนะให้สงสัยให้สงสัยในพะ ร, รัตนัยมีคิดหาคำตอบเรื่อยๆไปการปฏิบัติจะทำยังไงนาะอะไรเนี้ยสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงไม่จริงอะไรเนี้ชื่อว่าวิจิกิจฉานะรวมพร้อมทั้งหมดนะกิเลส นิอนทั้งหมดนะมันเป็นความฟุ้งของจิตเป็นความคันคันในจิตใต้สำนึกจะกระตุ้นให้จิตของเราฟุงา้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันก็ดับจิตก็สงบงั้นอาศัยการดูจิตนะจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ปัญญาด้วยได้ปัญญายังไงตรงที่เราเห็นว่ากิเลส ท, ทั้งหลายเกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะ ราคอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายโทรศ์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายปดหูอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายตัวอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปอันนี้เรียกว่าเราเห็นอนิจจังการเห็นอนิจจังนี่เป็นการเจริญปัญญาละเจริญวิปัสสนาหรือเราเห็นว่าราคาเมื่อเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ เกิดแล้วไล่ก็ไม่ไปโทรสาก็เหมือนกันบังคับมันไม่ได้ตั้งใจจะไม่รักมันก็รักตั้งใจจะไม่เกลียดมันก็เกลียดเลยนะบังคับมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้เห็นบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เรื่องเห็นอนัตตาก็เรียกว่าเป็นวิปัสนาเหมือนกันไม่ใช่คิดเอาแต่ว่าเห็นเอารู้สึกเอาอเพราะฉะนั้นถ้าดูจิตเป็นนะจะได้ครบหมดนะศีล ส, สมาธิปัญญ า, าครบแล้ววิมุตต์ก็เกิดความหลุดพ้นก็เกิดขึ้น นี่วันนี้จะขยายความเรื่องการเจริญปัญญานะเมื่อวานพูดเรื่องสมาธิสมาธิอย่างเรามีศีลเรื่อยๆนึกถึงแล้วก็สบายใจใจก็สงบใจสมาธิมีวิธีแยกเลยตั้ง40่สวิธีแยกแไปนะตรงที่ใช้สติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นวิธีที่เหมาะกับพวกดูจิตอันนี้หลวงพ่อไม่ได้สอนเองอยู่ในพระสูตร ชื่อสามัญญผลสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนอาชาติศัตรูชาติศัตรูเป็นกษัตริย์วันวันหนึ่งมีเรื่องคิดมากมายเหลือเกินพระเจ้าจะไปสอนอาชาติศัตรูให้เข้าฌานเนี่ยรู้ว่าเสียเวลาสอนทําไม่ได้เหมือนพวกเราเนี่ยพวกเรากับอาชาติศัตรูก็สไตล์เดียวกันทํางานที่ต้องคิดต้องเครียดตลอดเวลาพระเจ้าสอนให้รู้ทันเอา เรารู้ทันนิวรณ์นะนิวรณ์ก็ดับเองเพราะนิวรณ์ดับนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธิพอไม่มีศัตรูของสมาธิสมาธิก็เกิดแลนะก็ง่ายๆเงยงัย้นหลักของสมาธิจมีสองด้านนะถ้ามีสมาธิแรงๆเนี่ยนะใช้การที่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวด้วยพลังจิตที่ดีๆเนะี่ยข่มนิวรณ์ได้ถ้าสมาธิพลังจิตของเราไม่ดี เราใช้วิธีรู้ทันใช้สติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ก็ดับเหมือนกันไม่ต้องขมม่ม น, นะมองเข้าไปทีเดียวก็ดับแล้วเพราะมันเป็นตะกูลกิเลสเนี่ยเราต้องดูตัวเองนะถ้าเรามีเวลาเยอะว่างๆไม่มีอะไรทําหายใจไปพุโทโธไปเลไเนะใจมันสบายอยู่ในอารมณ์เดียวก็ข่มนิวรณได้่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็มีสติรู้ทันนิวรเข้าไปเลยนี่การมาฉันทาเกิดรู้ทันเลย มันก็ดับเหมือนกันก็ดับไปชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดอีกถึงยังไปเข้าสมาธิขมทิวณนก็ขมได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดอีกเหมือนกันนั้นทําได้ทั้งสองด้านนะอันนี้สมาธิชนิดสงบนะส่วนสมาธิชนิดตั้งมั่นเราใช้สติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านก็คล้ายๆกันรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านมันก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน ถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตก็เลิกฟุง้งหรือรู้ทันนิวรณ์จิตก็เลิกฟุง้งนิวรณ์หตัวนะเอาเข้าจริงเป็นความฟุ้งซ่านของจิตทั้งหมดเลยถ้าเรารู้ทันนะใจจะตั้งมั่นจะได้สมาธิมีความสุขด้วยมีความสงบด้วยมีความตั้งมั่นด้วยเมื่อใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะงานต่อไปของเราเนะี่ยคือการเจริญปัญญา การเจริญปัญญามันทําเหมือนงานวิจัยวิจัยธรรมะถ้าเราเป็นนักวิจัยเราก็ไม่ได้นั่งคิดเอาเองเราทําแบบงานวิจัยจริงๆนะวิจัยภาคสนามเลยไม่ใช่วิจัยอยู่ในห้องสมุดต้องไปดูของจริงคล้ายๆเราจะไปสํารวจทัศนคติของคนกรุงเทพนะไม่นั่งนึกเอาเองแต่ต้องไปดูจริงๆนะไปสุ่มตัวอย่างไปค่อยดู การจเจริญปัญญาเนี่ยเราจะเรียนแบบไปสุ่มตัวอย่างดนะูเราจะเรียนเพื่ออะไรปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามทั้งหมดเลยนะที่ประกอบกันเป็นตัวเรารูปมีจำนวนมากถึง28รูป น, ะนามมีจำนวนมากมีเจตสิกทั้ง5้งตัวจิตอีกหนึ่งตัว น, ะนรูปธรรมนามธรรมมีจำนวนมหาศาลถ้าจะไปเรียนให้ได้ทุกตัวว่าทุกตัวเป็นไตรลักษณ์เนี่ย มันมากเกินไปเหมือนอย่างเราอยากรู้ทัศนคติคนกรุงเทพเราจะไปเดินถามคนกรุงเทพทุกคนอันนั้นไม่ใช่งานวิจัยแล้วอันนั้นปัญญาอ่อนแล้ไปเดินถามทุกคนว่ารู้สึกอย่างไรเขาสุ่มตัวอย่างในการทําวิจัยเราจะปฏิบัติธรรมเราก็สุ่มตัวอย่างเหมือนกันคนไหนถนัดรู ก, กายก็รู้กายนะเอากายเป็นตัวอย่างของการศึกษา คนไหนถนัดเวทนาก็รู้เวทนาคนไหนถนัดที่จะดูจิตทีก็ดูจิตเอาคนไหนถนัดที่เจริญธรรมานุปัสสนาก็ใช้ธรรมานุปัสสนามีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้านะกําหนดไว้ให้เราไม่ต้องไปเลือกเอาเองตัวอย่างที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยดีวิเศษอยู่แล้วท่านคัดสรรด้วยพระปัญญาตรัสรู้ของท่าน ฐานของจิตฐานของจิตที่ใช้เดินปัญญานฐะานของของการเจริญปัญญานะมี4ี่ฐานเนียกสติปัฏฐานสมีกายเวทนาจิตและธรรมมีสีฐานเราจะใช้ฐานใดไม่ต้องใช้สีฐานถ้าใช้สีฐานก็คล้ายๆจะถามความเห็นคนกรุงเทพทั้งหมดเลยไม่จาเป็นต้องถามเราจะสุมตัวอย่าง การสุมตัวอย่างนะเราจะดูตัวเองว่าจริตนิสัยของเราเป็นอย่างไรพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยเรียกว่าพวกตันหารจริตนะพวกตันหารจริตเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือกายและเวทนาเพราะกายและเวทนาจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะพวกคิดมากเรียกว่าพวกทิฏฐิจริต กรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเพราะมเป็นเรื่องประณีตลึกซึ้งน่าสนใจของพวกคิดมากดูไปแล้วเราจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรเลยที่เราบังคับได้กระทั่งตัวเองยังบังคับไม่ได้จะไปบังคับคนอื่นได้ยังไงพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็ น, นอะไรนี้ชอบไปแทรกแซงคนอื่นกระทั่งถ้ามาดูแล้วกระทั่งจิตของตัวเองยังบังคับไม่ได้เลย ไปบังคับคนอื่นก็ทําไมงั้นพวกคิดมากนะเหมาะกับจิตานุปัสสนานะก็รธรรมานุปัสสนาทําไมมีอย่างละสองพวกตัณหาจริตดูกายและเวทนาทิฏฐิจริตดูจิตและธรรมมีความแก่อ่อนของปัญญาไม่เท่ากันพวกที่ปัญญายังไม่แก่กล้านะดูของง่ายของง่ายก็คือกายกับจิตอันนี้ง่าย ถ้าเป็นพวกรักสวยรักงามนะดูกายเนี่ยจะดูง่ายกว่าดูเวทนาถ้าเป็นพวกคิดมากเนี่ยดูจิตมันดูง่ายกว่าธรรมานุปัสสนาเพราะจิตตานุปัสสนาไม่กว้างขวางธรรมานุปัสสนาเนี่ยกว้างข ว, า ง, วางมีทั้งรูปธรรมนามธรรมาเลยทั้งดีและชั่วทั้งที่เป็นอุเบกขา ด, ด้วยและทั้งที่แสดงกระบวนการเกิดของความทุกข์ด้วยแสดงกระบวนการของความดับทุกข์ด้วยกว้างขวาง เราสันนิษฐานไว้ก่อนนะแบบนอบน้อมถ่อมตนว่าพวกเราเนี่ยปัญญีสีคือปัญญาอยังไม่แก่กล้าพาอยิ่งนั้นกรรมฐานที่หลวงพ่อแนะนําให้นะคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายนะแล้วมันจะขึ้นเวทนาเองตอนปัญญามันกล้าขึ้นคนไหนเป็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นดูจิตไปดูจิตจิตมีราคาก็รู้มีโทสะมีโมหะก็รู้นะ งั้นเราเลือกกรรมฐ า, านตามจริตนิสัยของเราถ้าเราเลือกตามคนอื่นนะเ ร, เรียกว่าดัดจริตไม่ใช่ตันหาจริตที่ทีจริตหรอกเป็นดัดจริตนะัตามคนอื่นเข้าไปนะใช้ไม่ได้ไม่ได้กินหรอกนะนี่การจะทํากายและเบทนาเนี่ยจะทําได้ดีต้องใช้สมาธิมากดูกายนะถ้าสมาธิไม่มากพอจนะิตจะเคลื่อนเข้าไปในกาย ดูเวทนาถ้าสมาธิไม่พอจิตจะฟุ้งซ่านไปเลยมันเจ็บมากๆฟุ้งซ่านไปเลยถ้าดูจิตเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิมากดูจิตใช้ใจของคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละดูไปเลยเพราะถ้าเราเข้าสมาธิก่อนเราไปดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างจะว่างสบายนิ่งๆอยู่งั้นนะคงที่อยู่ได้เป็นกลับๆเลยเพราน้นเวลาที่เราดูจิตนนั้เราใช้จิตธรรมดาอย่างนี้แหละไปดู แต่ถ้าเราดูกายควรจะทำสมาธิให้สงบสะก่อนนะให้มีแรงมากมากก่อนถึงจะดูได้ดีพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยทำสมาธิงา่ายกว่าพวกคิดมากนะพวกรักสุขรักสบายวันๆไม่อยากยุ่งกับคนอื่นยุ่งอยู่กับตัวเองนะอยากอยู่สบายๆเพลินๆนะถ้ามาท่องพุทโธมารู้ลมหายใจอะไรเพลินๆไ ป, ป, ป, ปสบายใจชอบนะชอบแล้วหนะ้านะี่เปล่งปลั่งสวยงามด้วย เพวกนี้จะทําสมาธิง่ายส่วนพวกคิดมากทําสมาธิไม่ลงหรอกงั้นถ้าเราเป็นพวกคิดมากนะให้เจียมเนื้อเจียมตัวไว้มาทําสมาธิยากก็ใช้สมาธิตื้นๆที่เรียกว่าคณิกาสมาธิคณิสมาธิชั่วขณะอนี้แหละที่หลวงพ่อสอนว่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยนะนนได้สมาธิชั่วขณะแค่นี้ก็พอที่จะใช้ดูจิตแล้วนะเราจะเห็นได้ว่าจิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดียวก็ร้ายนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไปเรื่อย นี่แต่ละฐานฐานกายท่านยังสอนแยกแยกออกไปอีกหลายแบบนะฐานเวทนาก็มีหลายอย่างฐานจิตก็มีหลายอย่างนะฐานธรรมก็มีหลายอย่างอย่างฐานกายนะให้รู้ลมหายใจก็มีนะสอนอนาปนาสตนะิสอนให้รู้อิริยาบถสี่สอนให้รู้สัมปชัญญะคือความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของกายก็มีนะ เี่ยตื่นๆตนที่ง่ายหน่อยกลุ่มพวกนีนะ้ไม่มีหลายอย่างต้องทำทุกอย่างไม่ไม่ต้องทำทุกอย่างทำมันเดียวเห็นไหมท่านเลือกตัวอย่างมานะในฐานกายเองมีตั้งห้าอย่างไม่ต้องทำทั้งหมดทุกอันนะไม่ต้องทำทั้งหมดให้ครบเอาอันเดียวถ้าถนัดหายใจแล้วรู้สึกตัวดีนะใช้อนาปนานสติเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู ฟังคำนี้ให้ดีนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดนะูร่างกายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวร่างกายหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นร่างกายหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นมีใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะโป่งไปโป่งมาอย่างนี้นะ เน่ถ้าถนัดอานาปนาสตินะั้นก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูถ้าชอบรู้อิริยาบถสเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอย่าไปเพ่งโลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งในร่างกายนะอย่างบางคนเดินจงกรมแล้วเพ่งอยู่ที่เทา้ายกเท้าก็รู้สึกนะเนี่ยกระดกส้นเท้าก็รู้สึกยกขึ้นมาก็รู้สึกเลื่อนไปก็รู้สึกจิตไปอยู่ที่ส้นเทา้านะ ไม่มีอะไรนี่คือสมถะอย่างเดียวเลยขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงมันคือการเพ่งเท้าถ้าเมื่อไรเราเอาจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเมื่อนั้นเป็นสมถะนะแต่ถ้าเราแค่สักว่าเห็นเห็นไปนสบายๆไม่ต้องเครียดนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะใจเป็นคนดนะูเนี่ยถ้าถนัดรู้อริยาบทก็เอาอริยาบทอย่างเดียวก็พอแล้วนะ ก็จะมีใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดนะูหรือร่างกายนั่งนิ่งๆอยู่ใจเป็นคนดูหรือดูละเอียดบางคนว่ายืนเดินนั่งนอนน้อยไปนะก็ดูอิริรยาบถย่อยเรียสัมปชัญญะบับสัมปชัญญะบภ บ, บ, บพะเนี่ยเช่นลองยิ้มซิยิ้มเห็นไหมเนี่ยมันเรายังไม่ได้ปริยาบถเลยมันมีย่อยย่ยยิ้มเราก็รู้สึกหาวเราก็รู้สึกเนะป่ากแล้วเราก็รู้สึก เนี่ยยังกลิงเลยถ้านั่งที่หลวงพ่อจะเห็นนะมนุษย์เนี่ยสืบเผ่าพันธุ์ใกล้เคียงกะลิงไม่มีหยุดสักคนนะก็ยุกก็ยิกตลอดเลยแต่ไม่ห้ามนะอยากเกาเขากเกาไปแต่เกาตัวเองนม่ไปเกาคนอื่นเขานะเกาไปได้แต่ว่ารู้สึกรู้สึกทําไม่เกานะเกาเพราะว่ามันทุกนะข์น้ําขันมันทุกข์มันทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเกาเลยหายทุกข์แล้วยังไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ งัก่อนจะเคลื่อนไหวไปเก่านะขันแล้รู้ว่าขันซะหน่อยแล้วค่อยเกา่าเห็นอ้กายนี้ทุกไวเดี๋ยวทุกตรงนี้เดี๋ยวทุกตรงนี้นะเนี่ยดูไปมีแต่ก้อนทุกนะทำไมต้องขยับต้องเปลี่ยนอีเดียบทย่อยมันหนีทุกนะดูไปห น, น้าดูกายถ้จะเห็นมันไม่ใช่ตัวเราจะเห็นมันเป็นตัวทุกดูอย่างนี้ใจเป็นคนดูถ้าดูเวทนาทํำยังไง ถ้าเรามีความสุขมากเราก็ดูความสุขคนไหนมีความสุขมากเลยวันวันหนึ่งมีความสุขเป็นส่วนใหญ่ยกมือซิมีไหมไม่มีเลยนะเนี่ยฐานเก่าของเราต้องไม่ใช่มาจากพรหมโลกและเทวโลกแน่เลยนะใครมีความทุกข์เนืองเนืองวันหนึ่งมีแต่ความทุกข์มาจากไหนดีล่ะ แเราก็เอากรรมฐานนี่แหละเราดูทุกนะโอ้เดี๋ยวทุกก็เกิดเดี๋ยวทุกก็เกิดส่วนใหญ่ทุกเกิดทางกายหรือทุกเกิดทางใจคนไหนทุกเกิดทางกายบ่อยความจริงทุกทางกายเกิดตลอดเวลาเดี๋ยวตลอดเวลาแต่ว่ามันย้ายที่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคันเราก็เก่าเราก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็หายอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราเห็นทุกทางกายเกิดนะใจเราเป็นคนดูเราก็เห็นความทุกเนี่ยไม่ใช่ร่างกายความทุกไม่ใช่จิต เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเราะฉะนนความทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวเรานะเกิดแล้วก็ดับไปส่วนความทุกข์ทางใจเราก็ดูมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วก็บังคับไม่ได้เนะี่ยใจเราเป็นคนรู้นะมีความทุกข์ในใจเกิดขึ้นคนไหนทุกบ่อยทุกทางใจบ่อยรู้ทุกทางใจนี่แหละเป็นอารมณ์กรรมาฐาน มันไม่มีอย่างอื่นจะรู้รู้ทุก s, ข์ในใจนี่แหละก็จะเห็นเลยเดี๋ยวก็ทุกข์มากเดี๋ยวก็ทุกข์น้อยเดี๋ยวทุกข์ก็มีเดี๋ยวทุกข์ก็หายดูอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเห็นนะความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปความทุกข์เนี่ยบังคับไม่ได้เห็นอนัตตาดูทางกายเนี่ยนะจะเห็นทุกขังกับอนัตตาง่ายดูทางใจเนี่ยจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาง่ายจะต่างกันนิดนึงอย่างทุกข์ทางกายเนี่ย เราดูทุกข์อยูในากายจะเห็นตัวทุกข์เห็นความบีบคั้นในร่างกายบีบคั้นให้ต้องเก่าบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิเลียบทบีบคั้นให้ต้องกินบีบคั้นให้ต้องขับถ่ายบีบคั้นให้ต้องหายใจนจะบีบคั้นตลอดงั้นถ้าเราดูเวทนาในกายเนี่ยเราจะเห็นตัวทุกข์ชัดมันบีบคั้นแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาจะเกิดเราสั่งห้ามไม่ได้นะ จะไล่มันก็ไม่ไปเป็นอนัตตางั้นดูเวทนาในกายนะจะเห็นทุกขังอนัตตาง่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องทางใจจริงๆก็จะเห็นความไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมาใหม่แล้วก็เห็นบังคับไม่ได้งั้นถ้าเราเป็นพวกมีความทุกข์มากล้วก็ใช้ทุกเป็นอารมณ์กรรมฐานได้กายอยู่ส่วนหนึ่ง ใจอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเกิดดับไปไม่มีหลายตัวดูยากดูยากดูยากกว่าดูกายร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูมีแค่สองงนันดูง่ายนี่ถ้าเราถนัดดูจิตเราไม่ต้องดูจิตทุกชนิดจิตที่พระพุทธเจ้าเลือกมาให้ดูมีแดอย่าง8อย่างนียเป็นของคนธรรมดาสอย่างเป็นของคนทรงฌานสอย่างหน้าตาอย่างพวกเราไม่ใช่คนทรงฌาน ไม่มีแน่สี่อันหลังเช่นจิตเป็นมหคตะไม่เป็นมหคตะอะไรไม่รู้จักหรอกมหคตะเป็นยังไงชาตินี้จะเห็นหรือเปล่ายังไม่แน่เลยนะเรามีสี่ตัวแรกน่าชื่นใจจิตมีราคะมีไหมมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่นี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะนี่หนึ่งคู่ จิตมีโทสะกับไม่มีโทสะนี่คู่หนึ่งจิตมีโมหะกับไม่มีโมหะคู่หนึ่งนะจิตฟุ้งซ่านกับจิตโดถู่คู่หนึ่งคนไหนขี้โมโหขี้โมโหจิตมีโทสะอัคนไหนขนะี้โลภเจออะไรชอบหมดเลยชอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าขี้โลภอย่างนี้นะก็ดูจิตมีมีโลภะมีราาักนะ เห็นมือถือใหม่ก็อยากได้เห็น iPad ก็อยากได้ iPhone ก็อยากได้นะไอโน่นไอนี่อยากได้หมดเลยขาด i อคเท่านั้นแหละเนี่ยใจมันโลภตลอดเวลานะเพราะมันโลภเราเรารู้ทันเราจะเห็นเลยความโลภมันมาแล้วมันก็ไปมันจะมาหรือมันจะไปเราสั่งไม่ได้ก็เห็นนะ่ะอันนี้จังอนา ต, ตานั่นแหละนะคนไหนขี้โมโหก็ดูไปเดี๋ยวก็โมโห ตามองเห็นเขาหงุดหงิดหูได้ยินเสียงเขาหงุดหงิดใจคิดเ้าหงุดหงิดเนี่ยคนขี้โมโหนะเราก็ใช้โทสะเป็นกรรมฐานนะจิตเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็หายดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะคนไหนฟุ้งซ่านก็ดูจิตฟุ้งซ่านพอฟุ้งมากๆมันจะซึมถัดจากฟุ้งจะซึมสังเกตไหมมันจะหดหูมันจะสลับกันเดี๋ยวก็ฟุง้งเดี๋ยวก็หดหูชาตินี้ไม่มีอย่างอื่นเลย มีสองอย่างอนะฟุ้งสัน้นพอหมดแรงฟุ้งก็หดหูซึมไปเลยเอาน้ําไม่ไหวนะแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งเต็มที่ลุยแหลกนะก็หมดแรงเนี่ยถ้าเป็นสันดาลอย่างนี้นะสันดาลอย่างนี้ก็เอาคู่นี้แหละฟุ้งสั้นก็รู้ทันหดหูก็รู้ทันไหมเอาของที่เรามีนะไม่ต้องดัดจริตหรอกจิตเป็นมหาคคตะไม่มหาคคตะจิตนั้นได้อุปจาระไม่ได้อุปจาระอะไรอย่างนี้นะ จิตมีขอบเขตไม่มีขอบเขตเลยไม่ต้องหรอไม่มีจิตของเรามันมีด้านเดียวคือแคบๆเล็กๆมืดๆห ม, ม, ม, มัวๆนะไม่มีอีกด้านหนึ่งไม่ได้ทรงชันเอาที่มีส่วนธรรมานุภัสนา น, นั้นประณีตลึกซึ้ง น, นะเรียนเรื่องขันห้าเรื่องนิวรเรื่องโพชฌงเรื่องอะไ ร, รมันประณีตขึ้นไปเรื่องอริยสัจแต่ว่าพวกเราไม่ต้องกลัวนะ ไม่ว่าเราเล่นฐานใดก็ตามนยะถึงจุดสุดท้ายเนะี่ยเราจะไปแจ้งอริยสัจทุกคนจะรู้อริยสัจจะลงไปที่ที่เดียวกันหมดเลยไปแจ้งธรรมานุภัสนะตัวสุดท้ายเลยนี่พวกเราถนันดูกายแล้วก็ดูกายนะใจเป็นคนดูทำความสงบขึ้นมาแล้วใจเป็นคนดูเห็นกายมันแยกออกไปทำงานไปใจเป็นคนดนะูกายนี้ก็มีแต่ทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ถ้าถนัดดูจิตดูใจก็ใช้จิตใจธรรมดานี่หละดูรู้ทันมันไปเรื่อยนะมันดียังไงมันชั่วยังไงก็คอยรู้ไปนะรู้อย่างที่มันเป็นนะก็จะเห็นมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็แจ้งอริยสัจเหมือนกันนะทำไปเรื่อยๆนี่พอดูแล้วถ้าใจมันฟุ้งนะก็กลับมาทําความสงบงั้นทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบองความสงบบ้าง ถ้าไม่ทำเลยนะี่ต่อไปจะไม่มีแรงต้องซ้อมนะเราไม่ได้ถึงขนาดไปทำความสงบระดับเข้าฌานเพราะเราทำไม่ไหวเราเอาแค่ว่าจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้หัดรู้ทันนิวรณ์รู้ความฟุ้งซ่านของจิตเท่านั้นแหละแล้มันจะมีแรงมีความตั้งมั่นชั่วขณะขึ้นมาแล้วมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมาสู้กันมาเจริญวิปัสสนานะเบื้องต้นถนาดดูกายก็ดูกายเห็นกายทางานใจเป็นคนดู ถนัดดูจิตก็ดูไปนะเห็นกิเลสมากิเลสไปนะใจเป็นคนดูไปเรื่อยแต่พอถนัดขึ้นแล้วนะพอชำนิชำนานขึ้นแล้วนะต่อไปมันจะไม่ไม่เลือกอยู่แค่นี้นะมันจะขยายความรอบรู้ออกไปเองอย่างเราหัดดูกายอยู่ต่อไปมันก็รู้เวทนาต่อไปมันก็รู้จิตต่อไปมันก็รู้ธรรมรู้ไปหมดออกนะมันเนื่องกันไปทุกอนะันะหรือเราถนัดดูจิตมันก็รู้กายด้วย รู้เวทนาด้วยรู้ธรรมด้วยจะขยายความรับรูไ้ไปไอ้ที่สายกายสายจิตอะไรเนี่ยเป็นขั้นหัดฝึกหัดเบสิคนะที่สอนให้วันนี้ขั้นเบสิกแต่ขั้นแอดวานซ์แล้วเนี่ยไม่มีสายบางทีสติระลึกรู้กายก็เห็นกายแสดงใจลักษณ์รู้เวทนาก็เห็นเวทนาแสดงใจลักษณ์รู้จิตก็เห็นกุศลอกุศลแสดงใจลักนะรู้ธรรมก็เห็นรูปธรรมนามธรรมาแสดงใจลักณ์นะ ไม่เลือกเลยถึงจุดนั้นจะไม่เลือกแล้วถ้าทำเป็นแล้วนะจิตเดินวิปัสสนาจริงๆแนละ้วจะไม่มีสายที่พูดนี้พูดสำหรับหัดใหม่หัดใหม่เอาอันเดียวไว้ก่อนเอาทุกอันจะไม่ได้อะไรเลยมั่วไปหมดอ้าเชิญไปกินข้าว